เห็นเขาจเจริญก็จเจริญตามเขาไปด้วยนะเห็นเขาพูดก็พูดตามเขาไปด้วยจเจริญอย่างไรก็ไม่รู้นะคอยแต่จ้องนะจ้องหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตเข้าไปจับอยู่ที่ลมนะดูท้องพองยุบก็จ้องอยู่ที่ท้องเดินจงกรมไปจ้องอยู่ที่เท้าอะไรเนะี่ยเราคิดว่านี่การจเจริญสติมัยังไม่พ อ, นะอยังไม่พอจเจริญแล้วได้อะไรได้เห็นความจริงงั้นถ้า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 พอจะมาลงมือปฏิบัติจะทำความสงบก็ามาเพ่งให้จิตนิ่งจิตแข็งจิตนิ่งจิตแข็งไม่ใช่ชานนะจิตที่เป็นชานนะจิตมันมีความสุขนะมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความเบิกบานมีความเบานะไ่เพ่งอย่างเงี้ยเพ่งเงี้ยมันไม่ใช่ชานนะ <c oughs> มันชานบ้านชานเรือนแล้วดูแข็งแข็งงั้น <c oughs> คนที่ทำชานไม่ได้ทำยังไงดีชาตินี้ไม่มีวันทำวิปัสสนาจริงหรือ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 อีก60องค์เนี่ยเป็นอุพาโตภาควิมุตตนะ์คือได้ทั้งสมาธิและปัญญาพวกนี้ก็มีสมาธิรวม3ามกลุ่มนี้ย180ยจาก500พวกที่เหลือ30เท่าไหร่32 6่เปอร์เซ็นต์คือพวกที่เดินแบบสุขวิปัสสกพวกที่เจริญสติเข้าไปเลยไม่ได้ทำฌานทำให้เป็นคือคนส่วนใหญ่อย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละนะงั้นพวกเราทาได้นะ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 จนปี25นะวันที่6กุมภา2525ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดุลที่สุรินทร์ก่อนหน้านั้นได้ยินชื่อท่านและสนใจคําสอนของท่านขึ้นไปกราบท่านไปถึงท่านนะตอนเช้าท่านกําลังฉันข้าวอยู่พระก็บอกเข้าไปเลยตอนนี้เราก็บอกเดี๋ยวให้หลวงปู่ฉันก่อนควาจริงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวเหมือนที่พวกเรากลัวหลวงพ่อตอนนี้แหละนะ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 เราจะคอยรู้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปแล้วจะคอยวนเวียนเรียนรู้หยุดที่ไม่ให้เกินกายเนี่ยเรียนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยมันต้องเจอใจเขาสักวันร่างกายมันเหมือนบ้านนะใจเหมือนเจ้าของบ้านเราหาจิตหาใจไม่เจอหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านไหมวันนึงต้องเจอน่ะยกเว้นมันมีหลายบ้านแต่ว่าจิตนี่มันมีบ้านเดียวมันมีบ้านเดียวเดี๋ยวมันต้องยกลับมาที่ร่างกายนี่แน่เราก็คอยมาคอยรู้สึกนะดูซิจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่า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 อ๋อ oh, จิตคือคนที่รู้อารมณ์นี่เองนี่เข้าใจตรงนี้ขึ้นมาพอเข้าใจตรงนี้แนละ้วเราก็คอยสังเกตความรู้สึกของเราคอยสังเกตรเรืเ่อยๆตอนนั้นรับราชการอยู่เป็นข้าราชการที่ดีนะเงินเดือนก็ขึ้นบ่อยๆอยู่สีก็เรื่อนเร็วแป๊บเดียวเป็นชั้นพิเศษแล้วนะเลยเบื่อเลยลาออกเลยไม่ไหวและ้ะเบือ่อนะปรากฏว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาพอตื่นนอนนะใจเรานึกขึ้นได้โอ้วันนี้วันจันทร์นะ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 พวกเราตอนนี้นั่งบนอัาดจันใช่ไหมดูหลวงพอ่อเพื่อหลวงพ่อไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาให้ดูเราขยับไปขยับมานะเวลาเราดูนะเราดูห่างๆใครส่งจิตมาที่แก้วน้ำบ้างมีไหมนะ่ใครรู้สึกนะใครหัดดูไม่ยากหรอกง่ายจริงๆเพราะประโยคแรกที่หลวงปูด่ดูลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากเสียงท่านห้าวๆนะการปฏิบัติมียศ ถ้าใครดูความรู้สึกของเรานะจะกินข้าวจะกินข้าวเจออาหารอย่างนี้ตามมองเห็นอาหารนี้ใจพอใจอีกวันหนึ่งเดินไปในโรงอาหารในที่ทำงานไปหาข้าวกินเจอแต่ของไม่ชอบใจไม่พอใจรู้สึกแม่ค้านีนะขาดความคิดริเริ่มเนี่ยว่าเขาสิอีกนะว่าในใจนะไม่กล้าพูดมากนี่ว่าสหลิวเฉาะหน้าเอาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราแค่นี้เอง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 ธรรมานุปัสสนาก็มีเยอะแยะเลยไม่รู้จะทําอะไรเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเริ่มยังไงพระโพธิลักนี่ก็ออกไปอยู่ไปตะเวนไปนะหาใครจะสอนกรรมฐานท่านได้คล้ายๆมีคำภีร์อยู่หนึ่งหนึ่งตู้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้คือกุญแจที่จะไขาตู้คำภีร์ให้ได้อะไรเป็นคีย์ที่จะไขาเข้าไปสู่ธรรมะในใจได้ท่านตะเวนไปถึงที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าก็เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เลยท่านอาจารย์ ผมขอมาเรียนกรรมฐานอาจารย์มองหน้าปุบอกโอ้ผมไม่มีปัญญาสอนท่านหรอกท่านแตกฐานความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีผมไม่รู้เลยนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเลยไม่รู้ชื่อหรอกนะท่านรู้มากกว่าผมผมสอนท่านไม่ได้หรอกนี่ท่านก็ไม่มีทิฏฐิมา น, านะนะท่านไปหาพระลำดับที่รองลงไปขอเรียนกรรมฐานนะไม่มีองค์ไหนสอนท่านสบงเลยจนกระทั่งในที่สุดนะถึงเนรที่เล็กที่สุดในวัดอายุเจ็ดขวบเอง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 มีเชี่ยตัวหนึ่งขอใช้คําภาษาดั้งเดิมนะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรตัวเงินตัวทองเลยฟังแล้วยาวเสียเวลามีเชี่ยตัวหนึ่งอยู่ในจําปลวกเนี่ยะมีรูเข้าออกได้6กรูถ้าท่าอาจารย์จะจับเชี่ยตัวนี้ให้ได้นะถ้าอาจารย์ปิดรูซะห้ารูนะเหลือไว้รูเดียวเดี๋ยวถ้านอาจารย์ก็จับได้เน้นขยับจะพูดต่อท่านพระโปธิละบอพอแล้วท่านอาจารย์เข้าใจละพวกเราเข้าใจไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจหกรูนะ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 อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างเวลาเราจ้องหัวไม่มือนะจิตเราจะไหลไปอยู่ในหัวไม่มือเวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูสมมติรเราดูพระพุทธรูปจิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละไม่มีปัญญาหรอกไม่มีทางเลยนะทําได้ที่มากที่สุดแค่สมถะ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 ไม่ไมยากหรอกโโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธพวกเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธก็เป็นนะแต่ไม่ยอมรู้เพระเราโกรธใครเราจะไปรู้ไอ้คนที่ทําให้เราโกรธเราไปดูคนที่ทําให้โกรธแทนที่จะดูว่าใจกําลังโกรธเราเกิดความรักขึ้นมาเราเห็นสาวสวยขึ้นมาเราเกิดความรักเรามวดไปดูสาวเราไม่เห็นใจที่กําลังรักง่ายๆเลยง่ายๆนึกถึงคนนี้นะ้าใจเป็นเกลียดขึ้นมาเราก็ไปนึกถึงไอ้คนที่เราเกลียดอีกเราไม่เห็นว่าใจกําลังเกลียดอยู่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 รู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งแข็งแข็งอยู่ข้างในเนี่ยดูออกเปล่ารู้สึกไหมหรือว่าแม้ปลอดโปร่งโล่งเบามีความรสรู้ว่ามันแข็งครับเออในไหลแข็งนะ่าเกิดจากการเพ่งนะเกิดจากการบังคับตัวเองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่มันแน่นขึ้นมานะแข็งขึ้นมานะหยุดเลยทําผิดละจิตที่เป็นกุศลนะ่าจะเบานะจิตที่เป็นกุศลจะนุ่มนวล น, นะไม่ใช่แข็งแขงห็หนักหนักบางครั้งบางครั้งมนันเป็นของมันเองครับเออถ้ามันทําไม่ได้จงใจทำมันก็เป็นเองสิครับจงใจทําก็ไม่เป็นสิ หมายถึงว่ามันมันเป็นแข็งกับมันเองครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแข็งนะเอองั้นรู้ทันไปเห็นไหมจิตมันทํางานได้เองครับต้องดูอย่างนี้นะเอ้าของคุณไปดูไปดูนักตาไปฮะตอนนี้มันแน่นค่ะใช่ใครเจอหลวงพ่อก็แน่นทั้งนั้นแหละอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เดินจงกรมมันจะรู้สึกว่ามีความสุขชลอยขึ้นมาตลอดเหรอคะแล้วพระสติมันเกิด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 คนที่จะรู้อะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยจะต้องภาวนาจนผ่านจุดที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสไปก่อนถึงจะรู้ mm hmm. ตอนนี้ของคุณจะต้องไปหัดดูไปทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเกิดดับดูอย่างนี้ mm hmm. อย่าเพ่งให้นิ่ง <Okay. S 1> ตรงที่จงใจปฏิบัติเพ่งให้นิ่งนะั้นไม่ใช่วิปัสนา mm hmm. ตรงที่อยากปฏิบัติแล้วส่งจิตไปกําหนดไว้ไม่ใช่วิปัสนานะ mm hmm. โลผ้ามันเกิดนะสติไม่ได้เกิด <Okay. S 1> อ่ะไป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 จิตคือธรรมาชาติที่รู้อารมณ์มนิพพานคืออารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตรู้เข้าอทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะว่านิพพานมีความแปรปวนเพราะว่ามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งไม่ใช่ใชนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของ <S <S ให้ไปถามอะไรเรื่องนิพพาน <S <S ถามเรื่องกิเลสไว้ <S <S กิเลสอะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ทันอย่างนี้วันหนึ่งถึงจะนิพพานนิพพานเนี่ยเราหาตรงตรงไม่ได้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 เสียงโทรสัพมาปุ๊บจิตมันโกรธมันรู้เลยอะับออดูไปไ ง, ไงั้นนะถึงวันหนึ่งนะความโกรธก็มีอยู่นะแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอกแล้วก็บางทีสั่งงานลูกน้องหรืออะไรเนี้ยตัวตนเรามีเกิดปุ๊บมันออีทีทเหทีใช้ได้อ้าวผ่านกับเรียนทมหลวงพ่อค่ะว่าวิหารละทมของไปกระดูกระดิกไว้นะดูร่างกายเยอะๆหน่อยแล้วถ้าดูร่างกายอ ย, าอย่างท่านหนูทําอย่าง ก็คืออย่างนี้หรอคะอย่างกระดูกกดิ่เนี่ยน<ช>่าจะรู้สึกนะไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเองใจเราเป็นคนดูมันใช่อย่างนี้ไหมคะหลวงพ่อไม่ใช่ตอนนี้ใจมาอยู่ที่หลวงพ่อ <c oughs> ใช้ได้แล้วนั่งไป <พอ S 1> ดูไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นแล้วาาะามตกหลวงพ่อไม่ได้ยินน่ะแก่แล้วหูตึงตอนนี้ทํางานแนล้วเกิด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 เขาที่ฝึกเก่านะมันทำสมถะมาเคยทํารูปแบบแล้วขาดรูปแบบไปนานมีความรู้สึกใจไม่มีแรงด้วยพอมีอะไรกระทบรู้สึกจะหลงแล้วก็รู้ได้ช้าอะไรค่ะเคลื่อนไหวไปแล้วหางานบ้านทำไปแล้วเห็นร่างกายเนี้ยเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดูฝึกนี้บ่อยๆอะต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ใช้วิธีว่าถ้าอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยก็ก็กําหนด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 ทุกวันตั้งสัจจะกับตัวเองเลทุกวันจะต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมอะไรเงีนะ้ยเดินจงกรมวันหนึ่งสินาทีอย่างน้อยนะมากกว่านั้นถือว่ากําไร<ะ>เดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินทรมานตัวเองนะแต่เดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเห็นจิตใจทํางา น, นดูออไมไ้มใจไหลไปไหนครับเออรู้แล้วใช้ได้<ะ>ไม่ยากหรอกเห็นไหมหมดยัง หมดแล้วค่ะหลวงพ่อชนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะขออนุญาตอิสระนันค่ะตอนนี้หนูปฏิบัตินี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะหนูจะเป็นไรหนูก็ไม่มีหนูไปหัดดูคอยรู้สึกที่กายที่ใจนะใจไม่ตั้งมั่นใจมีโมหะดูออกไหมมัวไม่ชัดใจดิ้นหลุดปลีกหลุดปลีกฟุ้งซ่านดูออกไหมหลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะ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 แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินสาธุแล้วไงอีก เรียบร้อยแล้วครับผมหลวงพ่อให้พอรอ๋อให้พรนะก็ไม่ใช่ะลรเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อเผยสารนะมีโคษก บ, บอกว่าให้พรได้แล้ว <laughs> หลวงพ่อก็กลัวเชยเราพาบ้านนอกไม่รู้วิธีการของเขายาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครางเอวเมวายโตดินนงเปตานางอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิดปเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถามณิโชติรโสยถาสพิติโยวิวัรชนตูสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุธาป จ, จายิโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อก็อนุมโมทนากับพวกเราด้วยนะ